นึดเหนื่อยเหน่อยเปีเยอยู่ภายในนี่แหละฮะผู้จากยากนะวันนี้ผมก็พิจารณานแล้วพิจารณาแล้วจนกระทั่งค่ำถึงตัดสินใจมาประชุมนะเพราะอันนี้เองน่ะทดสอบกันอยู่ทดลองกันอยู่มันเป็นยังไงฉันเกลียดอยู่เรื่อยอจนจะวันวันมาละอันเทศนี้มันจะเป็นยังไงยังไงคิดจนกรทั่งค่ำถึงลงใจให้บอกให้พระประชุมพระวันนี้จะมีประชุมค่ำ ในเวลาเทศก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆวันนี้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะมันบอกอยู่ภายในนี้ไข่เขานี่มันใายพูดยงยากๆเว้ยพูดไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่จักรไ้าของเล้ะโม่เป็นหน้านอยู่ดยนเนาะเข้าสวยไม่เอาเลยนะ รยะนี้มานี่เลยไม่ไม่ไม่ได้แตะเข้าสวยเลยนะกําหนดลงลองกหนดดูนี่มันถอยกู่ถอยกู่เลยก็แสดงว่ามันยังมีอะไรของมันอยู่นั่นเพาเพเข้าสวยเราฉันมาได้เท่าไหร่แล้วต้งแต่วันเกิดเป็นป่านี่น่ะมันทํามมันมันมันจริงถอยถอยอย่างนั้นมันมันทําให้คิดก็ก็โจกดีอยู่นั่นะฉันฉันดีอยู่ไม่ฝืนฉันดี แกว่เวลาฉันลงไปแล้วมันหนักมีถ่ายนะถ่ายวันลนะสองหมนสามนทุกวันนะห่ากไม่หากไ ม, ไม่เมื่อยไม่เพียผมก็เลยเอาจุดนั่นอนะจุดไม่เมื่อยไม่เพียแล้วช่อฉันเสร็จแล้วก็เอายานี้ฉันลงไปทาราโซลาเซนเนี่ยลงไปสองเม็ดแล้วก็ตอนบ่ายอยู่หนึ่งเม็ดแล้วก็พอถ้าอยู่ม า, มากๆคือย่างที่เห็นนั่นแหละีว่างเลยนันค่อยจะได้ประโยชน์นอกจาก มันจะมีโทษแฝงกันมาเพราะความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยกันแต่การปฏิบัติเข้ากันไม่สนิทเพราะความไม่รอบคอบเนี่ยเพราะกิเดียรมันแสงนันเองวิเดียร์นั่นละมันพาให้กระทบกันไม่ใช่ทำนะนี่อันหนึ่งอันที่คัญต้องบีบหัวมันด้วยใครไปย่อว่ากิเดียรว่ามันดีแง่ไหนแล้วเป็นเป็นเสร็จให้มันทั้งนั้นละ่ะ ฟังดีนะถ้ายังเข้าใจว่ากิเล่มันดีตรงไหนนั่นละ่ะตัวเข้าใจว่าเราดีตรงนั้นนั่นละ่ะตัวมันเคี้ยวมันจะแหลมคมตรงนั้นอ่ะมันกัดเพื่อนฝูงกัดตรงนั้นการยี่ลึกๆอยูดด่ภายในนะไม่เธอจเป็นจะต้องมาทะเลาะกันข้างนอกมันกัดอยู่ภายในเป็นทิติมรณนะไม่ยอมลงใครอ่ะนี่ละ่ะตัวสําคัญที่ดูที่ตั้งแต่พระพุทธเจ้า ประทบอยู่ตอนหน้าแต่แท้กิเลดมันยังไม่ถอยนีย่เรายกตัวอย่างเช่นพระเมืองโกสัมพีนพระธรรมกระถึกกับพระวินัยทรทะเลาะกันธรรมก็ถึกก็มีบริษัทบริวารท่านประมาณไว้ว่าห้าร้อยพระวินัยทรก็มีบริษัทบริวารประมาณห้าร้อยนี่เราจะไม่พูดอะไรมากนี่ แล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายต่างมีบริษัทบริวารนั่นน่ะมันทะเลาะกันเพราะการถ่ายไปถ่ายซ้วมที่ส้วม ม, มันเป็นส้วมสาธารณะถ้าตามหลักปริธัยแล้วจะเอาน้ำเหลือไว้ไม่ได้นอกจากกระบอกน้ำเป็นของตัวโดยเฉพาะไม่มีใครมาใช้มาเกี่ยวข้องด้วยเช่นอย่างนั้นอย่างที่ผมใช้อยู่ของผมของใครก็ตามถ้าเป็นเรื่องของเฉพาะของเจ้าของเลา ถึงจะเอาน้ําไว้ก็ไม่ผไม่ผิดพระวินัยเพราะท่านมีข้อยกเว้นไว้แล้วเห็นชัดเจนแล้วนะ่นะถ้าเป็นเ่วมสาธานะรณะก็บอกน้ําต้องเอาเทออกให้หมดนี่ทีนี้พระธรรมก็ถึกนี่เอาน้ําเหลือไว้สิพระธรรมไม่ได้ทไปถ่ายเลยเห็นน้ําไปพูดให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ก็ไปพูดให้ลูกศิษย์ของพระธรรมกัตถุตั้งอยู่นั่นแหะที่เริ่มแล้วนะนัะ่นเรื่องเกิดขึ้นนะ อาจารย์น้งแกนเอาน้ําเหลือไว้ในกระบอกอะไรไว้ในกระบอกเวลาถายแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดเพี้ยไหนว่ะทางนี้ก็ว่าไปทุกคนต้องว่าที่เอาไปเอามามันก็หนักเข้าหนักเข้าเป็นทะเลาะกันพระพุทธเจ้ามาชักชำระเองไม่ยอมฟั่งเสียงนั่นนีแ่แหละที่ว่ากิเลส ม, ม, มันมันมีคุณค่าทําวินญญาณก็ลูกศิษย์สถาคตพระธรรมกสือก็ลูกศิษย์สถาคตมีบริษัทบริบาลคนละห้าร้อยห้ เลาบอเวลาเอายิ่งมันไม่เห็นคุณค่าของสถานกฏเรายิ่งกว่าที่เด็กเลยฟัดกันเสียพระเจ้าทรงทำละไม่ยอมฟังเสียงก็พระองค์เสด็จหนีไปเลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่ารยลายกับช้างนั่นเหนือพิศูชาวโกสา ม, มีนี่ผู้ย่อขนาดทึงาศาสดามันยังไม่ยอมฟังฟังอยู่เ้ยจะมาพูดอะไรผมตัวเท่าหนูนี่ ถ, ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นธรรมว่าเป็นธรรมไม่เห็กิเลสว่าเป็นตัวภัยแล้วก็จะเป็นอย่างนังน้นอย่างที่เป็นมาน right. ั้นมันเป็นมีเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วกิเลสมันเจ็งขนาดไหนใครก็ว่าใครเก่นใครว่าใครเก่นจนกระทั่งถึงได้โลกธาตุหวั่นสักครั้งหนึ่งกระเทือนจนหมดทั่วเดืนพุทธจักรฟังเสียงอันนี้บอกเวลาภัยไปนิมนต์พระอานุนไปนิมนต์องค์พระเจ้าเสด็จมา แล้วทางนั้นยอมรับกันหมดแล้วเพราะเขาไม่ใส่บาตรให้กินนี่คุ้นง่ายเอประชาชนญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรให้กินเขาชี้หน้าเลยอมืมันเป็นประโยชน์อะไรกับพวกผ้าเหล่านี้วะาศาสดาอุกเอกแท้ๆมันยังไม่เห็นเป็นคุณค่าอะไรหน้าเคารพเรื่องสายยิ่งกว่ากิเลสอยู่บนหัวใจมันเลยแล้วใส่บาตรให้กินนั้นมันเสียข้าวไปทําไมาวะหน้าละที่ผ้าอนั้นก็พร้อมโซ ล, ลงไปที่มันจะตายน่ะ มาพิจารณาถึงเรื่องความกระทบกระเทือนนี้ก็ไม่เห็นได้ผลได้ไประโยชน์อะไรมีแต่ความเสียหายโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวถ่ายเดียวนั่นทั้งสองฝ่ายมาพิจารณามันมีแต่ความเสียหายด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างสร้างความเสียหายขึ้นมาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งสองฝ่ายนั่นมาเทียบยอมรับแล้วจึงให้พระอนุนไปกราบทูนรทพระพุทเจ้าพระอเสด็จมาตอนนั้นมีช้างอุปธรรมะถาพระองค์อยู่ในปา่าไร่ๆนี่มีอยู่งั้นนะเวลามา พวกนั้นก็ชี้หน้าอีแล้วที่นี่พระพุทธเจ้ากเวลาพระรเจ้าเรียกประชุมทั้งสองฝ่ายเพราะมันก็มันมันมันจะตายจริงครับมันยอมมันจะยอมอยู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่จะแซงอะไรมันก็ยอมอยู่แล้วเพราะโทษมันบอกเองนี่ประกาศลั่นไปทั่ว ด, ดินแดนด้านตะวันในพอพระพุทธเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็พวก ประชาชนญาติดโยมเขามาชี้หน้าที่ไหนพวกไหนพวกธรรมะก็ถือไหนพวกไหนพวกพวินัยทอนที่กัดกันจริงๆแล้วพูดอย่าง น, นี้เนี่ยภาษาเราธรรมชาติอะไรเราพระพุทธเจ้าท่านฟังซิฉลาดขนาดไหนอ้าฟังซิเฮ้ยตถาลูกตถาก็ทั้งนั้นนี่นะัะ้งตลูกของพวกท่านทั้งหลายยังมีทะเลาะ ก, กันได้ทำไมตถาูกตากรกมีกิ เ, เลสทาไมทะเลาะกันไม่ได้ละ่ะนี่กาลังจะปรับปรุงความเข้าใจให้รู้เรื่องรู้ราวเรื่องการณ์ไม่ใช่เป็นความผิดนี่นะอย่ามายุ่งนะนะฟังสิพระพุทธเจ้าหมอบเลยน่ะฟังซิ ศนาไหมศาสนาอ ง, องค์เอกอืมแล้วลูกองท่านทั้งหลายยังทะเลาะกันมีกี่คนยังทะเลาะกันได้ลูกของเราเป็นร้อยๆบำพันธ์ก็จะหไม่มีได้บ้างเลยวลเวลามันไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเ ป, เป็นธรรมดาคนเรานะอย่าเข้ามายุ่งนะนะท่านคนนี้ไม่ได้มาเพื่อท่านทั้งหลายนะมาเพื่อแต่ถากต่างหากนะนะตังสินี่แหละในสำหรับพุทรามเห็นมีอยู่นี่เพออย่างนั้นผู้วจารณแสดงทำเลยก็ก็ผู้ที่เห็นโทษก็เห็นอยู่แล้วนี่จะว่างไง ทั้งหมดไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นคนพัวเสอย่างเดียวเป็นคนดีก็มีอยู่เยอะในนั้นแต่ว่ามันมีตัวสําคัญน้ำพันธุ์อย่างตัวหนึ่งสองตัวเท่านั้นแหะมันกอ่อให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาใหญ่โตเหมือนกับว่าโลกอนี้มีตั้งแต่ไฟไปต่างๆไปหมดทั้งกินน้ำมันก็มีแต่มันเวลานั้นน้ําแสดงออกมาได้พูดง่ายว่างนี้เถอะพ่อพระองค์แสดงทึ้นอันนี้บาลีนี่ผมก็ลืมเชีย ก, ก็แสดงก็ไม่ผิดอะไรก็ที่ว่าอยู่ว่าถ้าเราว่าเราตัวเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เนี่ยในภาษาบาลีท่านผมผมลืมก็เดี๋ยวนี้ผมไม่บาลีผมลืมได้แต่คำแปลแต่ก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะได้นะว่าจุดไหนจุ่ไหนที่ว่าตัวดีตัวเด่นนั้นนะ่ะคือตัวมันเรวมันเร็วมันเร็วแนะ่ฟังสิท่านว่านี่คความไม่รอบมันเป็นอย่างนี้เองนะั่นนะคือไม่รอบกิเลกกิเลมันเก่งกว่าเราความหมายว่างั้นนี่พอเทศจบลงแล้วกับ พระเป็นอ่าทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งพระธ ร, รกติทั้งวิริยถอนะ่ะบรรลุธรรมก็โถห้ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกับฟ้าดินถล่มเหมือนกันนะเวลาเวลากระเทือนทางฝ่ายลบก็กระเทือนในขนาดนั้นที่นี้เวลากระเทือนทางฝ่ายบวกก็เหมือนกันนั่นก็เลยเป็นนิทานไว้ทั้งสองเลยให้เป็นกติแบบฉบับพวกเราทั้งหลายฟังพวกเราส่นาวนหน้ามันจะมีแต่แบบลบแล้วไม่มีบวกมาแก้กันนะถ้ามันไปเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันทนันมันไม่ตามกิเลสไม่ทันนะนั่นท่านตามกิเลสทนัน นั่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้ามันยังไม่ยอมฟังก็ยังสินั่นหลักกิเลสมันไม่เคยลงใครแต่ไหนแล้วอย่าว่าศาสดาองค์นี้หรือองค์ไหนมันก็ไม่เคยลงพูดง่ายนอกจากมันคอขาดไปเลยเพราะมันส่วมหน้าของธรรมพระพุทธเจ้ามาได้ฉันเด่นอี่ให้มันลงมันหมอบร้าพระพุทธเจ้ามันไม่ยอมหมอบมันคอขาดไปเลยอมันไม่หมอบกคอขาดไปเลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ธรรมดาองค์เอ็นนี่นะอ๋อมันไม่ลงก็ให้คอมันขาดไปเลยกิเลสนี่อะไรขอฟาดทิ้งพวกกิเลสคอขาดกันหมด ซึ่งได้เป็นาศาสด า, สาศาสดาพวกเรา ส, สมวชกิเลสกลัวกิเลสคอขาดกลัวจะขอคอขาด้กระเท่านั้นว่างทิเออผมมานจกนะอย่างนี้แหละท่านประธานึงไปลงมาอู่สวนนมูมันมากของมันเป็นดิเป็นเขาเป็นเราดูทั้งเรื่องท่า น, นไปอยู่ที่ป่าลายแล้หมาช้างนี่ก่อนอัศจรรย์นะช้างอัศจรรย์สัตธรร ช่างไปยอยู่ที่ป่าเลยไหลช่างมาอุปถรัรมปะถากพระองค์โอ้ยบอกไว้หมดนะวิธีช่างทำงยังไงยังไงในตำรับตำราท่านแสดงไว้ละเอียดมากเป็นที่สนใจด้วยนะมันน่าสนใจเรื่องราวเป็นตุกเป็นตาริง๋งฟังไปอ่านไปฟังไปมันทำให้เกิดอะไรภาพพดขึ้นมาภ า, ายในจิตใจของเราเนี่ย เหมือนยังเอาภาพมาให้ดูดูภาพพธเป็นอย่างนี้เรือ่อยระหว่างพริเจ้ากับช้างกับโขงช้างนะไม่ใช่ตัวเดียวที่ด้วยนะเป็นของโข ง, ขงาช้างตัวนั้นนะเป็นหัวหน้ามารรมทมบัตถาพระเจ้านั่นและที่พระองค์ที่ทรงจำพรรสายพระองค์เดียวก็มีพันษานั่นที่ทในป่านะ นเมาเขียนในโม่ตำลักตำราเพื่อให้เป็นคติตัวอย่างอันดีแก่พวกเร า, าเพราเรื่องของกิเลสมันเป็นได้อย่างนั้ น, นอย่างนั้นแหละคุ้นง่ายวางงั้นจะว่าแต่สมัยนู้นเลยสมัยนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นแหละคุณนง่ายมันไม่อาการลิโกพังสิทํามไม่ไม่มีการมีสถานที่เวลาเวลาเมื่อชั้นใดกิเลสมันก็เหมือนกันที่ไายยกออกมาเป็นข้อเปรียบเทีเยบขู่มันไว้ข้ามฟันมันหน่อยนั้นหัว่าขาดคอขาดอยู่ตลอดเวลาถึงถึงได้กับกิเลสเนี่ยแต่ก่อนข้อ ยกยอมันไม่ได้นะเสร็จให้มันในทันทีเหมือนอย่างช้างที่เขาลากสูงนั่นช้างลากสูงนี่เราจะไปไปพูดยกยอปอปั้นมันเห็นอกเห็นใจไม่ได้นะโอ้ยน่าสงสารนะนะมาลากสูงทา้งสูงหนูโอ้ยอ่อนเปียกไปหมดเลยช้างช้างตัวนั้นน่ะมันต้องขึงขังตึงตังเนียถึงได้หั่นอันนี้มือนกันที่ิเลสเราเราจะไปยกยอปอปั้นไม่ได้นะ มันดูหัวใจเรานี่ยมันเหมือนกับไฟที่มันได้เชื้อน่ะมันไหม้ข้อมันอยู่นะแตกตุ๊บตตุบตุ๊บตุบตุ๊ตุบตุ๊ดอกไฟมันกระเด็นออกปุบปุปับจากกองกองไฟไฟได้เชื้อเป็นยังไงมีกิเลดมันได้เชื้อมันก็เหมือนกันยิ้มหัวใจเรามันไปได้มาจากรูปจากเสียงจากตื่นจากรถ เอาเข้ามาเผากันอยู่ในหัวใจเรามีมากมีน้อยเห็นได้ชัดได้ชัดสําหรับผู้ที่จะฆ่าเหี้ยบเห็นได้ชัดอยู่ที่หัวใจคนมีสติคนจะฆ่าเหีดยบคือคนมีสติจากนั้นก็คนมีปัญญาแล้วทำไมความเพียงจะไม่มีที่นี่เมื่อมันเห็นชัดเข้าชัดเข้าจะเข้าเราความหนักเอาเบาสู้นี้มันก็มาเองแล้วก็พังนี่อันนั้นทังแล้ว อะไรมาดีทีนี้ฟังซิแต่กองกองไฟที่ว่านคือกิเลสเผาหัวใจมันไฟได้เชื่อคือไรอ้เชื่อของมันน่ะมามันได้มาจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องในียผักที่ไปกระทกก็ได้กระทบก็เตืออะไรมาแล้วมันเอามาเป็นอันนี้ฟุ่นคิดอยู่ในนั้นเป็นธรรมารมณ์แล้วก็เผาอยู่ที่หัวใจเรานี่ยมองดูมันก็เห็นอันนี้เราพูด ข้อเป็นขาอเปียบเกี่ยให้เขาให้มันเข้าได้ชิด ต, ติดทันอยู่ในตนัวของเราเอาตามเข้าไปตามเข้ไปดูเข้าไปตามเข้าไปแก้เข้าไปตัดใครนอกออกเมันไปเอามาจากไหนอาวุธโออาหารเนี่ยเอามากินเอาเชื้อไฟเนี่ยเอามาจากไหนอเอามาจากรูปมันมันมีตาเป็นน้ขาขัญตาประมาทเพราะสติไม่มีนะ่ะหูประมาทเพราะสติไม่มีน่ะไล่เข้าไปไล่เข้าไปทีนี้เอาเทมวดขวดขันสติให้ประจําทวารตา ทวานประตูทวานจะแปลว่าอะไรแปลว่าประตูตาหูจมูกลิ้นกายมุกขัดทวานทวานทวานทวา น, ทวา น, ท, วานทวานบา้าอะไนะคือประตูประตูประตูประตูเนี่ยรอบกันทันกันทันกั น, นเขาไปแล้วทีนี้ตัดข้างนอกให้เข้ามามันมีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้นี่จะว่าไงไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเข้ามาเพิ่มนี่ภายในก็เผากันเขาเรื่อยธรรมะก็คือตปะธรรมอีกแล้วไม่ว่าแตะกี้เลยมันตปมันตปะเผาเรานะเราก็ตปะผันเผามันได้ ในมงคลสูตรท่านว่าไวาไ้ว่าไงตะโพจาธรรมจริยาจา่านั่ น, นะตะโปคือทําเครื่องแผดเผากิเลสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่านั่นแต่ออกว่าอย่างนั้นนะไอ้เมื่อภายนอกมันไม่มีเข้ามามีแต่ข้างในมันก็หมดไปได้หมดไปได้สุดท้ายมีอะไรเหลือเลยสงบรากนั่นทนะ่าน่ะบ้านบ้านร้างจะมีคนอยู่อย่างคือเคยเทศในหลายกานันมันนะคือมันมีแต่ขนันมันดีดมันดิ่นของมันอเองนั่นนะไม่มีเจ้าของ กิเล่ hey. well, muy, ots, มันตายแล้วเอาอะไรมาเป็นเจ้าของอ่าธรรมะเป็นเจ้าของธรรมะไม่ผูกไม่ไม่ยืดไม่ถือเนี่ยธรรมะเป็นเจ้าของใช่เป็นอย่างนั้นไม่ยืดไม่ถืออุปทานอคติท่านไม่มีกิเลสมันมีทันทีแหละอุปทานอคติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยืดไปเป็นราเป็นของหมันมันมัดเลยนั่นมีเวลพังไปแล้วมันก็เห็นนึงแต่ใช่กันไปเป็นยืดยืดยบดยืเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระสาวข้งหลายท่าน เอาขันนี่แหละไปเป็นเครื่องมือทอําประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าสเสด็จ ไ, ไปนู่นเสด็จไปนี่ทําสอนโลกัอย่างนั้นด้วยภาษาเสียงอะไรเหล่านี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของขันแสดงออกทำงานว่างไงถ้าไม่ยึดไม่ถื อ, เ, อ, อเวลาหยุดก็หยุดจริงๆขันสงบตัวก็สงบจริงๆเวลาขันทํางานก็เอาทําให้เห็นดูแต่ไม่มีค่าศึกอะไรเข้ามาเป็นมือที่สองที่สามอย่างที่ว่านะ เขาหึงอะไรพูดกันทุกวันเนี่ยมือที่สองบ้างมือที่สามบ้ <c oughs> างหาว่าแตลงมันในมือนี่แล้วเนี่ยในเจ้าของนี่แหละความไม่รอบคอบ ม, มัน ม, มีถึงสิบมือมันก็ไม่รู้มันเอาจนหัวขาดข้อขาดแลกอกวัวรูความยืดหยุมันเอาหัวขาดข้อขา ด, ขาดสติมันนี่ยังเดียวเด๋ยวเท่านั้นปัญญาก็มันมนี่แล้วเช็ดไห้มันทำนี่เราก็ยังวา่าโดยคุยเจ้าใช้เครือ่นน อ, ง อ, องมือขันนี่เป็นเครื่องมือประกาศสอนโลก อยู่ได้แปดสิบปีก็ทิ้งพวกเลยาสาวกกก็เหมือนกันใช่ไปเขาไปเรทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งก็ไม่เอาไม่เอาอีกปล่อยสลัดเลยทันทีอิจฉาโตเพรนิบุโตดับรอบพุ้นง่ายความหิวความปัจนาอะไรอะไรหมดโดยประการกากาทั้งปวงอิจฉาอิจฉาคือความปัจนาาิดช้าตัวนอปฏิเสธเข้าไป น่าอิจฉาไม่ปรารถนาไม่อยากไม่หิวไม่โหยปริบุโตดับรอบหมดนันหา่งหะนั่นตังว <c oughs> ันนี้เงียบนะวันนี้นะเลยวันนี้ไหนมือเหื่อาได้แนวะมามกกมารมได้เลยอันนี้เข็ดมกาก็อะไรนะักห ลาไปนีไ่ไงเหมือนมาในเทพพูดไม่มีบทมีบาทไม่มีจังหวะจากโคนอะไรเลย่ลาไปภาพเนี่ยยังพูดได้ถุนนี่นะเวลามีแข ม, มีคนก็ล้างถ้วยล้างชานตามนั้นอย่ามาดนูนี่ให้เห็นเป็นอักขะเราเคยสอนเรื่องนั้นแล้วให้พูดมากด้วยเรื่องอย่างนี้เคยพูดมาแล้วฉันเสร็จแล้วมีอะไรจะแล้วให้ไปทํางานในเจ้าของ เดินยกมมนั่งสมาธิภาวนาอย่ามาเพ่นเพ่นพนพัยุ่มยามย่ามอะไรทันเยอะเยอะเอเยอะเยอะเต็มไลดูไม่ได้นะมากมากอยู่ในวัดยังมามากที่เต็มอันนี้อีกมากอันนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างมีแต่ผลลบเนี่ยว่าอะไร